วันที่สามสิบมีนาคมท่านพระครูลงรับแขกเป็นครั้งแรกหลังจากที่หยุดไปหนึ่งเดือนเต็มผู้คนมารอกันแน่นกุฏิเช่นเคยเพราะเป็นวันเสาร์เจ้าทุกรายที่หนึ่งเป็นสุภาพสตรีวัยสามสิบผิวขาวหน้าตาแม้จะดูเศร้าโศกหาก็แฝงเอาไว้ซึ่งความงดงามชนิดหาที่ติไม่ได้หล่อนเข้าไปกราบท่านพระครูสามครั้ง แล้วเอ่ยทางน้ำตาว่าหลวงพ่อเจ้าคะช่วยหนูด้วยโยมจะให้อตมาช่วยอะไรก็ว่ามาเลยท่านพูดอย่างปราณีครั้นเห็นรอยฟกช้ำดำเขียวที่แขนทั้งสองข้างจึงถามนั่นไปโดนอะไรมาถึงได้เนื้อตัวเขียวปัดออกอย่างนั้น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 โอ้โ ห, หลวงพ่อนี่ชั้นหนึ่งเลยขนาดเราอุตส่าห์พูดในใจยังได้ยินซะอีกนะจะพูดในใจหรือพูดนอกใจอาตมาก็ได้ยินทั้งนั้นถ้าอยากจะได้ยินแต่ถ้าไม่อยากก็แล้วไปพระอรหรันต์หนุ่มนั้นสรุปในใจอาตมาไม่ได้เป็นพระอรหันต์อย่างเก่ง ก็เป็นได้แค่พระอารเฮเพราะใครมีทุกข์ก็จะเฮไปช่วยเขาผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นชักจะงุนงงด้วยรู้สึกว่าท่านพูดอยู่คนเดียวแถมเรื่องที่พูดก็ไม่ได้ไปด้วยกันอีกด้วยท่านพระครูไม่อยากให้พวกเขาต้องงงนานจึงถามหญิงสาวผู้นั้นว่าโยมไปทําอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่า เขาถึงได้ตีเอาไม่ได้ทำค่ะแต่เขาเป็นคนขี้หึงหนูคุยกับใครไม่ได้เลยเขาหาว่าหนูพยายามจะนอกใจเขาคนอะไรก็ไม่รู้หึงไม่ดูตามมาตาเรือหนูไม่อ ย, อยากอยู่กับเขาแล้วค่ะหลวงพ่อเขาตียังกังวัวก็ควายแล้วเขาทำงานอะไรละ่ะเป็นทหารค่ะทหารยศร้อยเอกอยู่ค่ายในจังหวัดลบบุรีนี่เอง เวลาจะไปทำงานเขาก็ใส่กุญแจขังหนูไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนเกิดฟืนไฟไหม้บ้านหนูก็คงถูกย่างสดตายอยู่ในนั้นโอ้โหหึงมากขนาดนั้นเทียวรึแล้วมีลูกกี่คนละ่ะมีลูกด้วยกันหรือเปล่ามีค่ะมีลูกชายสองลูกสาวสองเข้าโรงเรียนหมดแล้ว ขนาดมีลูกสี่คนก็ยังหึงหรือค่ะหนูถึงไม่อยากจะทนอีกต่อไปหลวงพ่อคิดดูสิค่ะอยู่กันมาสิบปีเขาขัางหนูไว้ในบ้านตลอดหญิงสาวเล่าและท่านเจ้าของกุฏิก็รู้ว่าหล่อนไม่ได้พูดเกินความจริงผมว่าแบบนี้ผิดปกติแล้วนะครับหลวงพ่อสงสัยจะเป็นโรคจิตหนุ่มที่อ้างในใจว่า เพราะเมียไม่สวยถึงตีเอ่ยขึ้นนั่นสิคนที่ชอบตีเมียนะ่ะเป็นโรคจิตทั้งนั้นท่านพระครูเห็นช่องทางตีบัวกระทบคราตัดหนุมนั่นจึงจำต้องนิ่งหลวงพ่อตั้งช่วยหนูนะคะคนถูกสามีตีอ้อนวอนจะให้ช่วยแบบไหนละ่ะช่วยไม่ให้เขาตีอย่างนั้นหรือ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 เพราะอาตมากลัวบาปและท่านจึงพูดกับผู้ที่นั่งอยู่ณนะที่นั้นว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดจำเอาไว้การยุแย่ให้ผัวเมียเขาเลิกกันนั้นบาปมากใครคิดจะทำก็ให้ล้มเลิกความคิดนั้นเสียและใครที่เคยทำมาแล้วก็อย่าได้ทำอีกไม่งั้นบาป จะตามมาถึงตัวขอให้เชื่ออาตมาสักครั้งท่านจงใจเทศสตรีสามคนที่มานั่งรอคิวอยู่กดแห่งกรรมของคนทั้งสามฟ้องว่าพวกหล่อนมีความสามารถในการยุยงแย่งตะแคงแซะให้ผัวเมียเขาเลิกกันแล้วก็ทำจนประสบความสำเร็จมาหลายคู่แล้วคนประเภทนี้ จะรู้เรื่องของคนอื่นไปหมดทุกเรื่องผัวใครไปมีเมียน้อยไว้ที่ไหนพวกหล่อนรู้หมดแต่พอผัวตัวเองมีเมียน้อยพวกหล่อนกลับไม่รู้ที่มาหาท่านก็ใช่ว่าจะเริ่มใ ส, ส่ศรัทธาแต่มาเพื่อขอเลขเด็ดกับขอให้ท่านดูดวงให้เมื่อท่านปฏิเสธพวกหล่อนก็จะไม่มาเหยียบวัดนี้อีกพร้อมกันนั้นก็จะเอาไปเที่ยวโพนทนาว่า หลวงพ่อวัดนี้ไม่ดีถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อช่วยเขาเลิกตีหนูนะคะสตรีวัยสาสิบอ้อนวอนตกลงโยมถ้าช่วยแบบนี้ไม่บาปเอาละอาตมาจะแนะวิธีการให้ขุนทองช่วยหยิบแผ่นปลิวบทสวดมนต์มาให้โยมเขาแผ่นนึ่งท่านสั่งหลานชาย แล้วพูดกับสตรีนั้นว่าโยมสวดมนต์นะสวดทุกวันแล้วก็อธิษฐานขอให้เขาเลิกตีวันไหนเขาทำท่าจะตีก็ห น, นีขึ้นไปห้องพระเลยไปนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องพระนั่นแหละรับรองว่าเขาไม่กล้าตีคนที่กำลังสวดมนต์หรอกแต่ถ้าเขาตีละคะ ลอนถามอย่างหวั่นหวาดให้มาตีอาตา ม, มาแทนบอกเขาเลยว่าถ้าจะตีคนที่กำลังสวดมน์ก็ให้ไปตีหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงโน้นคราวนี้ล่อนยิ้มทั้งน้ำตาคนอื่นๆพลอยยิ้มไปด้วยถ้าเกิดเขามาตีหลวงพ่อจริงๆหนูก็บาปแย่นะสิคะล่อนว่าเขาไม่ตีหรอกหนู แม่อย่าไปดูถูกสามีเราถึงขนาดนั้นสิอาตมาดูแล้วเขาเป็นคนดีพอสมควรถ้าดีแล้วทำไมต้องตีเมียด้วยสตรีผู้หนึ่งถามขึ้นกอกเขาหึงทำไมถึงต้องหึงโยมรู้ไหมท่านถามสตรีผู้นั้นไม่ทราบค่ะไม่ทราบหรือคะ ถ้างั้นอาตมาจะตอบให้ที่เขาหึงก็เพราะเขาหวงแล้วทำไมเขาถึงหวงโยมตอบสิไม่ทราบค่ะหลันยืนยันคำตอบเดิมท่านพระครูจึงเฉลยว่าเพราะเขาตกห่วงรักและพูดกับบรรดาสุภาพบุรุษว่าโยมผู้ชายอย่าไปทำอย่างนั้นนะ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 เขาก็ทํางานหนักมากกลางวันสอนโรงเรียนมยัธยมเย็นสอนพิเศษที่บ้านกลางคืนก็ต้องเขียนบทความส่งนิตยสารเลยไม่มีเวลามาทําหน้าที่แม่บ้านผมไม่ชอบเอาเปรียบผู้หญิงและผมก็ไม่ใช่คนขี้อิจฉาด้วยผู้ชายบางคนนะครับอิจฉาแม้กระทั่งเมียตัวเองกลัวเมียจะสบายเลยต้องแกล้งใช้ให้ทํางานอย่างกับทาตเขาตั้งใจพูดแดกดันผู้ชายคนนั้น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 คนไม่ชอบเอาเปรียบเมียจึงต้องนิ่งคืนมีเรื่องมีราวกันก็รังแต่จะนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้คนเป็นเมียหลวงพ่อเจ้าค้ะทําทบุญแทนกันได้ไหมเจ้าคะสตรีไวกลางคนถามทําแทนกันแบบไหนหล่ะโยมคืออย่างนี้เจ้าค่ะพ่อเด็กเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาบุญคุณโทษชอบฆ่าสั ต, ตว์ตัดชีวิต อีฉันก็เตือนเขาเขาก็ไม่เชื่ออีชั้นก็ขอร้องเขาว่ายังไงยังไงก็หยุดฆ่าวันพระสักวันก็ยังดีพอถึงวันพระอิฉั้นก็บอกเขาเขาก็ถามว่าวันนี้วันพระกี่คำํำอิฉั้นบอกสิบห้าคำเขาก็ว่าดีแล้ววันนี้ข้าจะต้องฆ่ามันให้ได้สิบห้าตัวพูดจบเขาก็ไปตลาด ไปซื้อปลาหมอเป็นๆมาสิบ้าตัวมาฆ่าต่อหน้าต่อตา อ, อ, อีชันแล้วโยมทำยังไงละ่ะอีชันก็ไม่ทราบจะทำยังไงโจกค่ะก็ได้แต่สงสารเขาเวลาอีชันทำบุญใส่บาตรอีชันก็จะอุทิศกุศลให้เขาอีชันอธิษฐานว่าบุญทั้งหมดที่อีชันทำอีชันขอยกให้สามี ขออยากให้เขาต้องตกนรกเลยแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะอกชันทำบุญแทนเขาแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะอย่างอื่นเขาดีหมดสิ่อยู่เรื่องเดียวนี่แหละเจ้าคะ่ะทำกรรมแทนกันไม่ได้หรอกโยมบุญนั้นก็คือกุศ ล, ลกรรมใครทำใครได้การจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ตัวเอง ต้องทาเองคนอื่นจะมาทําแทนไม่ได้ใครทําดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วแล้วอีฉันจะช่วยเคยังไงเจ้าคะเขาถึงจะไม่บาปเรื่องอย่างนี้มันก็พูดยากนะโยมเรื่องบุญเรื่องบาปใครทําใครได้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 นำพระราชทรัพย์มาบริจาคให้คนยากคนจนเสนาบอดีก็ห้ามไม่ให้อมาตทำตามบอกว่าพระองค์ทำบุญมากจนพระราชทรัพย์จะหมดพระคลังอยู่แล้วอย่าทำอีกเลยพระองค์ก็ทรงพระพิโรธคือโกรธเสนาบดีกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อดับจิต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 จึงได้ทรงทราบว่าพระราชบิดาไปเกิดเป็นงูเหลือมนี่เห็นไหมอบายนะ่ไปง่ายเหลือกเกินเผลอสตินิดเดียวไปเกิดเป็นเดรัจฉานเสียแล้วแล้วยมรู้หรือเปล่าว่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ดียังไงไม่ทราบเจ้าค่ะไม่ทราบอีกแล้วแม้ คนที่มาวัดนี้ตอบเป็นอยู่อย่างเดียวไม่ทราบเจ้าคะ่ะท่านเรียนเสียงสตรีผู้นั้นก็อีกฉันไม่ทราบจริงๆนี้เจ้าคะนางว่าอ๋อไม่ทราบจริงๆหรือเจ้าคะอาตมานึกว่าแกล้งไม่ทราบเสีย อ, อีกท่านพูดยิ้มยิ้มคนอื่นๆพลอยยิ้มไปด้วยเป็นเดรัจฉานไม่ดี ตรงที่หมดโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลในโยมนอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้ประกอบอากุศลกรรมได้ง่ายอีกด้วยเพราะตัวโมหะมันครอบงำอย่างงูเหลือมตัวที่เคยเป็นพระเจ้าอาโศกนั้นตอนที่พระมหินท่านเลงยานไปทอดพระเนตรโยมรู้ไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ทราบจุกคะ่ะ ไม่ทราบอีกแล้วถ้าอย่างนั้นมีอะไรบ้างที่โยมทราบนะไหนบอกอาตมามาสิว่าโยมทราบอะไรบ้างเจ้าคะทราบว่าหลวงพ่อใจดีเจ้าค่ะมาวัดนี้แล้วสบายใจแล้วอาหารก็อร่อยแถมหลวงพ่อไม่เคยบอกบุญเรื่อยไรเงินอีกด้วยใครมีศรัทธาจะทำก็ทำใครไม่ทำหลวงพ่อก็ไม่ว่าไม่เหมือนบางวัด ที่พอไปถึงยังไม่ทันจะนั่งสมผานท่านก็แจกใบดีกาเส้นแล้วคราวนี้คนไม่ทราบสาทยายสยืดยาวโอ้โหทราบเยอะเหมือนกันนี่แม้อจตมาก่อนนึกว่าไม่ทราบอะไรท่านสัพยโสตรีนั้นยิ้มเบิกบานกับคำชมตกลงงูเหลือมพระเจ้าอาโศกกำลังทำอะไรอยู่เจ้าคา นางไม่ลืมที่จะทวงคำถามก็ทำบาปนะสิทำยังไงรู้ไหมอ้อไม่ต้องตอบก็ได้เพราะอาตมารู้แล้วว่าโยมจะตอบยังไงงูเหลือมตัวนั้นกำลังวิทย์น้ำวิธีวิทย์น้ำของเขาก็คือเอาหัวพาด ต, ต้นไม้ต้นหนึ่งหางพาดอีกต้นหนึ่งแล้วเอาลําตัววิทย์น้ำ วิท์ทำไหมรู้ไหมโยมลองตอบสิท่านถามสตรีที่ถูกสามีตีไม่ทราบค่ะจะกินปลาก็นหนองน้ำมันมีปลาเขาก็อยากจะกินปลาแล้วก็ฉลาดเสร็จด้วยแต่ฉลาดในทางที่ผิดเพราะเป็นเดรรชานจะไม่รู้เรื่องบาป บ, บุญคุณโทษหลวงพ่อครับ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 บุรุษผู้หนึ่งถามเรื่องนี้มันลึกซึ้งไหนโยมเรื่องของจิตนี่ลึกซึ้งมากแต่อย่างไรก็ตามคนที่กําลังจะตายนั้นถ้าจิตเขาเป็นอกุศลเขาจะไม่รู้ตัวเลยว่าขณะนั้นจิตของเขามีโลภะหรือโทสะหรือโมหะแต่เท่าที่อาตมาวิจัยนะอาตมาว่า มีทั้งสามตัวนั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวไหนจะมากกว่าอีกสองตัวถ้ดดับจิตขณะที่ตัวไหนมีดีกรีสูงก็จะไปเกิดตามกรรมนั้นๆในกรณีของพระเจ้าอาโศกแม้พระองค์มีโทสะอยู่ก็จริงแต่ก็เป็นโทสะที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของโมหะโมหะ ซึ่งมีกําลังแรงกว่าจึงส่งผลให้ไปอุบัติในกําเนิดเดรัจฉานเห็นหรื อ, อยังว่าแม้พระองค์จะทรงสร้างคุณประโยชน์ใหญ่หลวงให้กับพระศาสนาแต่เมื่อถึงเวลาจะละโลกนี้ไปก็ยังต้องไปเกิดในทุกคตินับประสาอะไรกับคนที่ไม่เคยสร้างคุณความดีเลย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 เลิกทำปาณาติบาตส่วนเขาจะเลิกได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาต้องให้เขาสวดด้วยไหมเจ้าคะไม่ต้องหรอกเพราะจะไปบอกอยังไงยังไงเขาก็ไม่ยอมทำเพราะเขาไม่เชื่อคนเราลงไม่มีศรัทธาเสียแล้วก็เลิกพูดกันงั้นก็แปลว่าถึงแม่อีชั้น จะสวดมนต์แต่ก็ไม่อาจช่วยเขาได้อยางงั้นหรือเจ้าคะนางรู้สึกสับสนได้สิได้ในแง่ที่ว่าเมื่อโยมสวดมนต์มากๆโยมก็จะรู้ว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานั้นมันมีขอบเขตแค่ไหนเพียงใดแล้วโยมก็จะวางใจ ให้เป็นอุเบกขาได้เขาก็จะไม่เป็นสาเหตุทำให้โยมทุกข์อีกต่อไปยังไงล่ะลุงพ่อยิ่งพูดอีฉันก็ยิ่งงงเจ้าค่ะทำไมจะไม่งงละ่ะกฎธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไว้ให้พูดกันเฉยๆแต่มีไว้ให้ปฏิบัติเอาเถอะเมื่อโยมปฏิบัติแล้ว ก็จะหายงงไปเองขอให้เชื่ออาตมาสักครั้งเชื่อประเทศไทยสักครั้ง